ทะข้อนะจไม่ได้ต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook และแฟนเพจของพระอาจารย์สุชาติกับพิชาโตนะครับคำถามจากคุณวินนะครับอยากเรียนถามพระอา <c oughs> จารย์ว่าเราจะทราบชัดเจนได้อย่างไรถึงการพัฒนาขึ้นจากการนั่งสมาธิของฌานแต่และฌานเช่นจากฌานหนึ่งไปฌานสองจากฌานสองไปฌานสามครับ คือปฏิบัติไปมันก็จะรู้เองเหมือนกับการรับประทานอาหารเวลารับประทานอาหารเราก็จะรู้ว่าเราอิ่มมากหรืออิ่มน้อยถ้ารับประทานไม่หยุดเดี๋ยวมันก็ถึงจุดที่มันจะรับประทานไม่ลงก็จะรู้ว่ามันอิ่มเต็มที่แล้วถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆจเจริญสติไปเรื่อยๆเช่นอานาปนานสติก็ดูลมหายใจไปเรื่อย หรือบริกรรมพุทธโธถ้าเป็นพุทธานุสติก็ทําทไปเรื่อยๆพอมันถึงจุดเต็ ม, ตมที่แล้วมันจะหยุดเองมันจะรู้เองว่าเราได้ถึงขั้นนี้แล้วแต่ขณะที่ทามันจะไม่มีป้ายบอกนะว่านี่เป็นชานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามหรือ ข, ขั้นที่สี่แต่มันจะมีความเบาใจความสงบลงไปตามลาดับบางทีก็ลงไปเหมือนเป็นขั้นบันไดก็มี ลงไปวุบหนึ่งลงไปเทระวุบเทระวุบเบาลงไปทีละเล็กทีละน้อยบางครั้งมันก็ลงแบบผลเดียวแบบตกลุมตกบอ่อเลยอันนี้เราไปกําหนดไม่ได้เราไม่ต้องไปกังวลสิ่งที่เราต้องกังวลเรื่องกาหนดก็คือสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูลมอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้จดจอ่อเฝ้าดูการเข้าการออกของลมหายใจและให้เฝ้าดูอยู่ตรงจุดเดียวคือจุดที่ลมสัมผัสที่เด่นชัดที่สุดส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณปลายจมูกหรืออยู่บริเวณเหนือดินฟีปากขึ้นมาก็เฝ้าดูอยู่ตรงนั้นอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วความสงบมันก็จะมาเป็นขั้นๆั้นหรือมาแบบรวดเร็วก็สุดแท้แต่ อันนี้ไม่สาคัญสาคัญที่สติการเจริญสติเท่านั้นอย่าเพลอไปคิดเรื่องอื่นเป็นอันขาดแม้แต่อย่าไม่ควรวิพากษ์วิจาร์ผลที่กำลังเกิดขึ้นหรืออย่าไปหลงยินดีกับผลที่เกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> เช่นเวลานั่งแล้วเกิดปิติขึ้นมาก็เฝ้าดูปิติ หยุดการภาวนาอันนี้ก็จะจอดอยู่ตรงนั้นก็จะหยุดอยู่ตรงที่ปิติถ้าภาวนาต่อไปเดี๋ยวก็จะผ่านปิติไปจนถึงป้ายสุดท้ายถ้าเป็นรถเมย์ก็ป้ายสุดท้ายอย่าเพิ่งไปลงกลางทางนั่งรถไปจนกว่ารถจะหยุดรถที่จะหยุดแล้วก็ไม่ขับเคลื่อนไปไหนอีกต่อไปจิตที่เราต้องการให้ไปนี้ก็คือ ที่เรียกว่าเอกตารมที่ว่าเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่คิดตรงแต่งไม่มีอะไรว่างปิติก็หายไปสุขก็หายไปเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสุขที่เกิดจากอุเบกขาที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เกิดจากปิติอันนี้ก็ขอให้เราภาวนาไปเหมือนกับการรับประทานอาหาร ขอให้รับประทานไปอย่าหยุดรับประทานจนกว่าจะรับประทานไม่ลงแล้วอันนั้นถึงจะรู้ว่าอิ่มแล้วพอแล้วข้อต่อไปข้อต่อไปจากคุณหลงโลกหลงมายานะครับมีสองข้อนะครับข้อแรกทุกให้รู้นั้นขอบเขตของการรู้ตัวทุกหรือขอบเขตของตัวทุกนั้นมีขอบเขตหรือไม่อย่างไร ขอให้รู้ว่าเวลาที่เราไม่สบายใจคือไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายแต่เป็นเรื่องของใจเช่นร่างกายเราเป็นปกติไม่เจ็บไายได้ป่วยกินข้าวอิ่มนอนหลับสบายแต่เราไม่สบายใจอันนี้หละคือทุกข์ที่เราต้องรู้ว่านี่คือทุกข์ใจความไม่สบายใจความวิตกกังวลความห่วงใ ย, ยความว้าวุ่นขุ่นมัว นี่คือความทุกข์ทางใจแล้วก็ให้รู้ว่าความทุกข์ทางใจนี้เกิดจากความอยากของเราเองอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดความว้าวุ่นขุ่นวัวขึ้นมาไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจขึ้นมาทุกข์ทางใจนี้ต้องแก้ที่ใจต้องแก้ที่ความอยากเพราะความอยากเป็นต้นเหตุ เช่น อ, อาจจะมีบุคคลมาเกี่ยวข้องแต่เราไม่ต้องไปแก้ที่บุคคลเช่นเราอยากให้บุคคลนี้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำอย่างที่เราอยากให้เขาทำเราก็ไม่สบายใจถ้าเราต้องการจะแก้ความไม่สบายใจเราอย่าไปแก้ที่บุคคลอย่าไปต่อว่าเขาอย่าไปบังคับเขาให้ทำตามความอยากของเราแต่ให้เรามาหยุดความอยากของเรา ให้เรามาพิจารณาว่าบุคคลที่ทำให้เราไม่สบายใจนี้เขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาไปควบคุมบังคับเขาให้ทำตามความอยากของเราได้ถ้าเราอยากจะหายจากความไม่สบายใจก็ขอให้เราหยุดความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองนี่คือขอบเขตของการรู้ทุกให้รู้ว่าทุกที่เราพูดถึงนี้ เป็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราเองแล้วก็เป็นทุกข์ที่มีอยู่ในใจไม่ใช่เป็นทุกข์ของร่างกายในความทุกข์ของร่างกายคือความเจ็บไข้ของร่างกายก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจได้เช่นเดียวกันเช่นเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรามีความอยากให้ร่างกายหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าเรากลัวว่ามันจะรักษาไม่หาย กลัวว่าร่างกายจะต้องตายไปนี่ก็เป็นความอยากอยากให้ร่างกายไม่ไม่เจ็บอยากจะให้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไม่ให้ร่างกายตายไปเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราไปแก้ที่ร่างกายเราก็จะอาจจะแก้ได้ชั่วคราวเช่นร่างกายไม่สบายเราไปหาหมอรักษาให้หายได้พอหายความไม่สบายใจของเราก็หายไปชั่วคราว เดี๋ยวคราวหน้าพอร่างกายไม่สบายขึ้นมาใหม่ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกถ้าเราอยากจะแก้วความทุกข์ใจอย่างถาวรเราต้องแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากของใจที่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอและสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องตายไป ไม่มีใครไปยับยั้งความตายความเจ็บของร่างกายได้ถ้าเราหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายได้เราก็จะหายจากความทุกข์ใจไม่สบายใจที่เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกี่ยวกับความตายของร่างกายอย่างถาวรร่างกายจะเจ็บกี่ครั้งก็จะไม่ทำให้ใจของเราเดือดร้อนไม่ไม่ทำให้ใจของเราทุกข์หรือไม่สบายใจแต่อย่างใด นี่คือแก้ปัญหาต้องแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากอย่าไปแก้ที่ร่างกายร่างกายก็แก้ไปแต่ต้องรู้ว่าอันนี้เป็นส่วนย่อยส่วนไม่สำคัญส่วนสำคัญคือความทุกข์ใจและเหตุที่ทำให้ความทุกข์ใจก็คือความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองถ้าเราแก้ส่วนที่สาคัญได้แล้วร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย จะหายไม่หายก็จะไม่เป็นปัญหากับใจเราอีกต่อไป ค, คำถามข้อที่สองของคุณหลงโลกหลงมายานะครับการเจริญสติไม่ว่าจะใช้สติปัฏฐานฐานใดก็แล้วแต่มีความสัมพันธ์อย่างไรกับกิจในอริยสัจข้อแรกที่ให้รู้ทุกคือการเจริญสตินี้มันเป็นอริยสัจข้อที่สี่คือมรร มักก็คือให้มีสติเฝ้าดาูการเคลื่อนไหวของร่างกายาคือมันมีสีสีฐานด้วยกันการจเจริญสติมีกายเวทนาจิตและธรรมแต่ในเบื้องต้นนี้จะต้องใช้ร่างกายเป็นฐานก่อนเพราะเป็น เป็นการกระทำที่ง่ายที่สุดเวทนาจิตและธรรมนี้เป็นส่วนที่ละเอียดที่ลึกเข้าไปที่ยากต่อการที่ของผู้ที่เริ่มปฏิบัติจะเข้าถึงได้ต้องตั้งสติที่กายก่อนต้องฝึกสติให้มีให้ใจนี้ไม่ลอยไปลอยมาให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันเพราอใจจะได้เป็นสมาธิเพราะถ้าใจเป็นสมาธิแล้ว ก็จะสามารถเห็นความทุกข์ใจได้เห็นอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งได้ถ้าใจไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ใจลอยไปลอยมาใจจะไม่เห็นอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งเวลาที่ไม่สบายใจก็จะไปโทษสิ่งที่ใจไปเห็นแทนเห็นคนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ไปโทษเขาไปว่าเขาว่าทำให้เราไม่สบายใจ แต่ความจริงแล้วความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ mm hmm. ดังนั้นก่อนที่จะเห็นอริยาาสัจสี่เห็นอริยาาสัจข้อที่หนึ่งได้คือเห็นทุกเห็นความไม่สบายใจเราต้องทําใจให้เป็นสมาธิให้สงบก่อนเราต้องจเจริญสติก่อนเพราะสตินี้จะเป็นเหตุที่จะทําให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิใจสงบ พอใจสงบแล้วเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจะเห็นความแตกต่างทันทีเพราะใจจะกระเพื่อมเวลาสงบนี้ใจเหมือนน้ํานิ่งเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี้เหมือนกับโยนก้อนหินลงไปในน้ําน้ําก็จะกระเพื่อมเป็นลูกคลื่นขึ้นมาทันทีใจของผู้ที่สงบแล้วจะเห็นเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ใจของผู้ที่ยังไม่มีความสงบนี้จะไม่เห็นเวลาใจกระเพื่อมเพราะกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นการที่จะเห็นอริยสัจข้อที่หนึ่งได้คือเห็นทุกข์ได้จะต้องสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนถึงจะเห็นได้ถึงพระเจ้าถึงสอนว่าให้เจริญมรรคให้มากมรรคต้องเจริญมรรคก็คือเนี่ยทานศีลภาวนา ภาวนาก็มีสติสมาธิและปัญญานี่ครับคําถามจากคุณชายเดียวนะครับก้ากับผมอยากขออุบายในการระงับราคาครับราคานี้เป็นผลที่เกิดจากการมองสิ่งที่สวยงามการจะดับราคาก็ต้องมองสิ่งที่ตรงกันข้ามของความสวยงามถ้าเห็นสิ่งที่สวยงามก็จะเกิดความยินดีความคล้ายขึ้นมา ถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามก็จะเกิดความไม่อยากขึ้นมาไม่ชอบขึ้นมาเกิดความรังเกียจขึ้นมาดังนั้นเราต้องมองส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายส่วนที่หน่ารังเกียจของร่างกายถ้าเรามองแต่ส่วนที่สวยงาม <_ homem> ก็จะเกิดความคลเกิด ค, ความกำหนัดยินดีถ้าเรามองส่วนที่ไม่สวยไม่งามก็จะเกิดก็จะระงับความความคล่ายความยินดีได้เช่น จะดูอาการภายในร่างกายอย่าอย่าดูเฉพาะผิวหนังให้มองเข้าไปใต้ผิวหนังมองเข้าไปว่าภายใต้ผิวหนังร่างกายนี้มีอะไรบ้างมีโครงกระดูกไหมเห็นเห็นกะโหลกศรีรษะหรือไม่เห็นเวลาเห็นหน้าตารูปร่างหน้าตาที่สวยงามนั้นเราเห็นอะไรเราเห็นหนังใช่ไหมเราไม่เห็นสิ่งที่หนังกำลังหุ้มห่ออยู่ สิ่งที่หนังหุ้มห่ออยู่คืออะไรก็คือกระโหลกศรีรษะนี่เองถ้าเห็นกะโหลกศรีรษะแล้วเราจะมีความกาหนัดยินดีหรือไม่หรือเราเห็นอวไยวะต่างๆภายในร่างกายเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ต่างๆก็ลองไปที่ตลาดก็ดูก็ได้ดูลำไส้ดูตับไตของของวัวของควายของสุกร ก็ได้เหมือนกันเห็นแล้วเราเกิดความคล้เกิดความยินดีหรือไม่นี่คือวิธีดับราคะความกำหนักยินดีความใคล้ต้องมองส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายก่อนเราต้องฝึกดูไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าถ้าเรามาดูตอนที่เกิดความใคล้นี้มันไม่ทันการ เพราเราไม่มีกำลังพอที่จะมองส่วนที่ไม่สวยไม่งามได้เหมือนกับไฟไหม้ถ้าเราไม่เตรียมน้ำไว้ก่อนพอถึงเวลาจะไปหาน้ำมาดับไฟมันไม่ทันการเราต้องเตรียมน้ำเตรียมเครื่องดับไฟไว้ก่อนพอเวลาเกิดไฟลุกขึ้นมาเราก็จะได้เอาน้ำมาดับไฟได้ทันทีนังนั้เราก็ต้องพิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งาม พิจารณาปฏิกูลความสโปรกความไม่สะอาดน่ารังเกียจของร่างกายเช่นพิจารณาเหงื่อครากลิ่นเหม็นต่างๆพิจารณาสิ่งที่ขับถ่ายออกมาตามทวารต่างๆหรือพิจารณาเวลาที่ร่างกายนี้เป็นซากศพหรือพิจารณาดูอวัยวะที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังต้องพิจารณาไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อน พอเวลาเกิดเกิดการมาราคาขึ้นมาก็จะได้ดึงออกมาใช้ได้ทันทีถ้าไม่เตรียมการไว้แล้วจะไม่สามารถที่จะดึงออกมาใช้ได้เพราะไม่มีกำลังพอที่จะเอาอสุภาออกมาดับการมาราคานั่นเองก็ต่อไป อีกข้อเดียวครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าพระอาจารย์จะตอบหรือไม่นะครับเพราะว่าออกแนวเอาฟินิหานได้ไหนะครับถามให้ครบหน้าที่ไปก่อนนะครับจากคุณแพลวนะครับทําอย่างไรถึงจะสื่อสารกันโดยทางจิตได้ครับพูดคุยแบบไม่ต้องใช้เสียงในวงเล็บมีแนวทางวิธีปฏิบัติอย่างไรก็ต้องทําใจให้สงบแล้วแต่ก็ไม่เน้นมาคำว่าผู้ที่ทําใจให้สงบนี้จะเกิดอภิญญาชนนิดนี้ขึ้นนะแล้วแต่วาสนาบารมี ถ้าเคยได้ฝึกผลทางนี้มาก่อนในอดีตพอจิตสงบก็จะสามารถติดต่อกับจิตได้โดยตรงเช่นจิตของพระพุทธเจ้านี้สามารถติดต่อกับกายทิพย์ทั้งหลายได้จิตของหลวงปู่มัน่นท่านก็ติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้ท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้มีพระคุณต่อเทวดาเพราะเขาสามารถมาศึกษาฟังธรรมได้เหมือนกับพวกเรามาฟังธรรมกันในตอนนี้แต่ ถ้าเขาแต่ผู้ที่แสดงธรรมถ้าไม่มีอภิญญาไม่สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้เขาเขาก็ไม่สามารถมาฟังธรรมจากท่านนั้นได้ดังเรื่องของอภิญญานี้มันเป็นเรื่องของแถมถ้ามีก็ดีสามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่ต้องระมัดระวังถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็อาจจะถูกกิเลสดอกเอาไปใช้ในทางที่ จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเรายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นหลุดพ้นเราอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับเรื่องอภิญญาต่างๆเพราะจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปแทนที่จะมาฆ่ากิเลสกลับมาส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นอย่างพระเทวทัต น, นี้เป็นตัวอย่างต้องระมัดระวังและจะทให้เสียเวลา จะทําให้การปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนี้ลมเหลวไปเพราะจะไม่ปฏิบัตินั่นเองเวลาเข้าฌานเข้าสมาธิก็อยากจะติดต่อคนนั้นคนนี้กับจิตนั้นดวงจิต ด, ด, ด, ดวงนั้นจิตดวงนี้หรืออยากจ ะ, ะรับรกชาติว่าชาติก่อนๆนั้นไปทําอะไรมาหรืออยากจะรู้ว่าตอนนี้คนนั้นกําลังคิดอะไรอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น แต่ถ้าหลุดพ้นแล้วก็สามารถใช้ความรู้สามารถพิเศษเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือสอนได้เป็นเครื่องมือประกอบการสั่งสอนทาให้ผู้ฟังนั้นเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาและสามารถนำเอาไปาทําปฏิบัติทำได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริกับพระองคุลีมานองคุลิมานนี้พยายามไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่วิ่งไล่เร็วขนาดไหนก็ไม่ วิ่งไล่ไม่ทันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่ทำให้วิ่งเร็วกว่าองคุลีมานจนในที่สุดองคุลีมาก็เลยต้องขอร้องว่าโปรดเถิดท่านหยุดวิ่งหนีผมเถิดพระพุทธเจ้าก็เลยได้โอกาสสอนธรรมะกับองคุลีมาว่าเรานั้นหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดองคุลีมาก็ตอบปว่า ถ้าผมวิ่งไล่อยู่อย่างนี้ทำไมท่านบอกท่านหยุดได้ยังไงถ้าท่านหยุดผมก็ต้องไล่ตามท่านเพราะรเจ้าก็บอกว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงพอพูดทานนี้เขาก็ได้สติขึ้นมาทันทียอมรับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นการหลงทางเป็นการเดินผิดทางแล้วก็ยอมรับเอาคำสอนของพ่อพระพเจ้ามาปฏิบัติมาละความโลภความโกรธความหลง นได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดนี่คือการใช้อิทธิฤทธิปาฏิหารไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์แต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ร้อยทั้งร้อยจะเอาไปใช้ในทางของกิเลสแล้วก็จะมาทำลายผู้ที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหารนั้นเช่นพระเทวทัตเป็นต้นเป็นเหนว่าพอสมควรสำหรับปัญหาในวันนี้ท่านอื่นที่อยากจะเข้ามา เอาของหรือถวายของก็เชิญเข้ามาได้หรือจะเข้ามาถามปัญหาก็เข้ามาได้